สวัสดีครับผมเชฟต่อกนกชาวลิศพงศ์ปัจจุบันทำงานบริษัทร่มสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งซีเนียร์เบเกอรี่แชนแนลเดเวลลอปเมน์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกและเหรียญเดียวของประเทศไทยในปี2012ทางด้านขนมหวานครับ